เรื่องนี้เป็นอีกตอนหนึ่งของในเรื่องลูกบ้านมาพโพเมื่อยายตายจึงต้องรีบจากกรุงเทพกลับมายังบ้านมาพโพซึ่งถินนี้ชาวอายุธยาติดปากเรียกกันว่าแดนบ้านป่าทาั้งๆที่สมัยหลังเป็นทุ่งนาไปหมดแล้วแต่ก็ยังคงเรียกแดนนั้นว่าบ้านป่าเป็นคราววุ่นวายใจครั้งใหญ่ของผมที่พวกคุณๆเรียกกันว่าเจ้าเรืองต้องรีบกลับบ้านมาโปเพราะว่ายายได้ตายลงโดยพี่พุกสงข่าวมา ทั้งทางที่เรื่องความกลัวอ e ีแฟนยังไม่หายผมไปช่วยงานศพยายอีแฟงคงจะต้องหลอกหลอนผมอีกเป็นแน่แต่จะทำอย่างไรได้หลอกก็ต้องทนเอาเพราะว่าจำเป็นปู่ย่าตายายทั้งคนไม่ไปมันก็คงจะเลวซามอยู่ไม่น้อยแต่ว่าครั้งนี้ผมได้เปลี่ยนเส้นทางการเดินทางใหม่ผ่านไปยังอาเภออุทยัยเพราะว่าครั้งก่อนผมไปเยี่ยมยายที่ป่วยอีแฟงเนี่ยดักหลอกผมทั้งนั้น คราวนี้ผมได้นั่งรถไฟจากหัวลำโพงไปลงที่สถานีบ้านพาชีแล้วก็เดินตัดทุ่งด้านมาปโพนูน่นแต่ว่าการไปมาปโพคราวนี้พี่ใหญ่เกิดเห็นใจผมแล้วก็เดินทางมาเป็นเพื่อนผมด้วยเพราะว่าทุกๆคราวพี่ใหญ่ไปไหนผมก็จะหยุดงานไปเป็นเพื่อนที่ผมไปกับพี่ใหญ่ก็เพราะว่าด้วยความเป็นห่วงแล้วก็ด้วยความคิดถึงคราวนี้เขาก็ไปด้วยเพราะว่ารู้เรื่องที่เจ้าแฟงเคยเล่นงานผม ถ้าไปด้วยกันจะได้พอช่วยกันในยามขับขันเราก็ต่างเอาใจซึ่งกันและกันเกี่ยวกันกันเป็นคนแพนจอนด้วยกันเราทั้งสองคนออกจากบ้านเกิดแพจนจรไปหางานทําด้วยกันตเวนไปหลายแดนทั้งในระยะนี้เราก็กำลังเตรียมตัวจะไปเสี่ยงโชคทางเมืองระยองพี่ใหญ่จะยอมเป็นผัวเจ้เนยซึ่งแก่กว่าเราหน้าสาวเพื่อสมบัติและผมก็จะตามไปกับเขาด้วยตามที่เขาจะแบ่งที่ดินให้ทากินบ้าง ทั้งสองเราลงรถที่พาชีแล้วก็จัดการข้าวแล้วก็สุรากันตามเคยพอสมควรพออิ่มดีแล้วก็บ่ายหน้าสู่ทางโคกม่วงจนเข้าบ้านระสมผมมองดูหมู่บ้านระสมแล้วก็นึกถึงฉายาของแต่ละหมู่บ้านย่านนั้นโดยคนโบราณกล่าวไว้เป็นคําก่อนว่าคนสวยบ้านระสมคนโสมบ้านมากโพนักเลงโตบ้านช่องตอแหลใจสองบ้านไม้สุง คำกรอนที่กล่าวถึงนิสัยของแต่ละหมู่บ้านนั้นจะจริงเ ท, ท็จแค่ไหนก็สุดแต่คำของท่านผู้ใหญ่รุ่นเก่าที่พูดล้อเลียนกันไว้คำกรอนทั้งสี่วรดนี้วร์สุดท้ายเนี่ยรุนแรงไปหน่อยผมก็เลยขออนุญาตแก้คำกรอนในวร์ที่สี่นั้นซะเพราะว่ามันค่อนข้างแรงคนสวยบ้านระสมนั้นอาจจะมากแล้วก็สวยถึงแกจะกล่าวเป็นคำไว้ แต่จะมีความเด็ดขาดแค่ไหนผมไม่เคยแวะเข้าไปเคยแต่ผ่านๆเพราะว่าอายุยังน้อยไม่เคยจะเข้าไปบุกแต่ว่าคนโสมมากโพนั้นคือบ้านผมเองจริงครับโสมจริงๆหาคนรวยยากเย็นมีแต่คนโสมเป็นส่วนใหญ่อย่างดีก็แค่บ้านตายายผมเท่านั้นที่พอจะจัดว่าไม่โสมแล้วก็เรือนแพรพวกที่มีเชื้อจีนก็รู้จักอดออมก็พอจะดูได้ไม่รวยนักแต่ก็ไม่ได้โสมเลยทีเดียวนอกกนั้นก็อยู่ในเกณฑ์โสมนี่ขนาดอยู่กันแบบ พอกินบ้างไม่พอกินบ้างแต่ก็อยู่กันอย่างสงบเงียบดีก็เรื่องนี้แหละครับเจ้าแฟงลูกสาวลุงโนดป้ากะออมแต่แรกก็รักกันอยู่กับผมมานานปีแต่ว่าอายุยังน้อยอยู่ผมก็เลยถ่วงเวลาไว้ก่อนครั้นว่าพี่พุกหลานตากระยายแท้ๆเนี่ยออกจากทหารมาเขาก็เป็นผู้มีสิทธิ์ในทรัพย์สมบัติของตายายโดยตรงไม่ใช่กาฝากอย่างผมแม่แฟงก็เลยตื่นสมบัติหันไปรักพี่พุกซะเลย ผมมันก็มีฐานะสมๆตามฉายาของตำบลบ้านมันก็เลยหมดเสียงจะพูดอะไรไม่ออกก็เลยหนีหน้าแพนจอนไปพบพี่ใหญ่คนบางประหันก็เลยพากันแพนจรนเที่ยวหางานทำที่กรุงเทพก็มาได้งานกรรมก ร, รมทําถนนการสวดศพของยายในคืนนี้ทางญาติตำบลอื่นๆแล้วก็ตำบลเดียวกันมากหน้าหลายตาพอไปถึงผมก็โดดเข้าครัวช่วยลุงโนดป้ากะออมทาอาหารเลี้ยงแขกส่วนตานั้นรับแขก พี่พุกไม่ถนัดอาหารก็อยู่หน้าที่รับแขกพี่ใหญ่กับผมเคยทำกับข้าวกับปลาช่วยเจ๊นเนยในร้านข้าวแกงที่ตำบลตลาดสนามเป้าก็เลยพอเคยมืออาหารทุ่งอาหารป่าถ้าฉลาดปรุงฉลาดตกแต่งให้หน่ากินก็พอไปได้แต่กระนั้นพวกนั้นก็ยังชมว่าพ่อครัวกรุงเทพเนี่ยเก่งที่แท้ก็ไม่เลย ขยันปรุงแล้วก็ชิมรสให้รู้คอผู้กินว่าวงเล่าหรือวงไม่กินเล่าเท่านั้นเองพวกแขกที่มาก็เป็นชายคอเล่าต่างก็ฮิ้วกันมาต่างคนต่างมาร่วมกันเข้าก็หนาแน่นพอใช้ได้เรื่องของคนมากไฟสว่างเสียงพระสวดการอารวาสของเจ้าแฟงมันก็เลยยังไม่เกิดขึ้นแต่กลับมีเรื่องสยดสยองอย่างอื่นเกิดเข้ามาแทนนั่นก็คือคนที่นั่งคุยกันเป็นกลุ่มๆนั้นเนี่ย มันมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่คุยกันถึงเรื่องเรื่องหนึ่งที่ไม่เป็นมงคลแก่บ้านมาพโพกลุ่มนั้นมีตะผึ่งตะปลั่งลุงปั้นเป็นหัวหน้าวงคุยนั่งย้อยมันเสียใจแล้วก็โกรธแค้นนะ่ะก็เห็นใจมันอยู่หรอกตะปลั่งว่าเออลูกของมันทั้งคนแท้ๆผมได้ยินในวงนั้นออกชื่อย้อยก็เลยนึกเอย้อยไหนนะ้าผมก็เลยนึกไปนึกมาถึงรู้ ว่าเขาหมายถึงนย้อยผู้ที่เป็นแม่ของไอ้จอมเพื่อนผมตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแต่ก็ยังฟังไม่ถนัดว่าเขาพูดกันเรื่องอะไรก็เลยสะ ก, กิดพี่ใหญ่จะเข้าร่วมวงกับเขาไอ้โกรธนะมันโกรธแน่ละลูกชายตายทั้งคนเสียใจจนเป็นลม้มลุงปั้นว่าผมสะดุ้งทั้งตัวเมื่อได้ยินว่าลูกนย้อยลูกนย้อยจะใครล่ะครับก็ไอ้จอมเพื่อนผมนั่นแหละเอถ้าจะไม่เป็นการซะแล้วใครตายจะ ใครถูกฆ่าตายอ่ะลุงผมถามแทรกขึ้นไปทั้งทงที่ผิดมารยาทเด็กกับผู้ใหญ่เพราะว่าทนอดปากอยู่ไม่ได้อ้าวไอเรื่องเหรอเออเอมึงไปอยู่กรุงเทพซะมันก็เลยไม่รู้เรื่องไอจอมลูกนางย้อยน่มันถูกฆ่าตายที่บ้านไม้สุงนางย้อยก็เลยเอาศพมาสวดที่วัดนี่แหละลุงปั้นเล่าให้ฟังใครฆ่าจ้ลุงผมถามใจคอหายเพราะว่าไอจอมเพื่อนรักกันมากก่อนนี้นะสิว้ยไอเรื่อง ต่ผึ่งว่าไอ้จอมก็ตายแล้วแต่นั่งย้อยนะสิวะมันจะก่อความยาวมันไปปลุกผีไอ้จอมที่ป่าช้ามาสองสามวันแล้วกู้จะห้ามก็เกรงใจมันเห็นใจมันนั่งย้อยทําเพราะความแค้นความโกรธจะเอาผีช่วยค้นตัวผู้ร้ายเอ๊ะนังย้อยแกสงสัยใครบ้างอะครับผมพึมพำออกมาคล้ายกับพูดกับตัวเองใจก็ชักจะโกรธแทนเพื่อนขึ้นยากว่ะ ลุงปั้นพูดมันไม่แน่มันเพียงสงสัยกันเท่านั้นนางย้อยสงสัยจกเพี้ยนกับอีแบนพ่อแม่อีแพ้วที่ไอจอมมันติดพันรักใคร่อยู่ก็เพราะที่ข้างศพไอจอมมีหนังสือปิดไม้ปากว่าไอจอมรักหญิงข้ามแดนต้องตายมันยากจังเว้ยความสี่หใจนะหัวมันหมุนก็สงสัยสงสัยกันไปก่อนแต่ผึ่งว่านี่เราคิดกันอย่างเราๆนะทิดผึงทิดปั้ง มันอาจจะเป็นไอ้ใครที่มันรักซ้อนกันอยู่ก็เป็นได้นะเพราะว่าอีแพรวเนี่ยได้ยินข่าวมันว่าคมๆแคลไลให้เชิงชายอยู่จะไปสงสัยว่าพ่อกับแม่ผู้หญิงฆ่ามันอ่ะมันยังไกลอยู่เพราะว่าไอ้เพียงมันก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไรไอ้จอมนี่นาและลูกสาวมันก็ยังไม่ได้เสียตัวให้กับไอ้จอมเพียงแค่ไปคุยกันแบบเข้าหาผู้ใหญ่จะไปฆ่ามันด้วยเรื่องอะไรเล่าลุงปั้นชี้ข้อเท็จจริงว่าควรจะสอบดูกันให้เหมาะผมเองนั้น อัดอั้นตันใจสงสารเพื่อนและแค้นใจแทนเพื่อนเรื่องเขาปลูกผีไอ้จอมเนี่ยผมก็เลยเฉยๆตามธรรมดาผมกลัวเข็ดมาตั้งแต่ทิศฐานมาปลูกผีทิดกล้าแล้วคราวนี้กโกรธแค้นก็เลยไม่ค่อยกลัวกลับคิดซะว่าปลูกมันขึ้นมานั่นแหละดีเอาให้มันอาวาสพวกศัตรูก็ดีเหมือนกันตอนแรกแพ้มันตอนหลังแก้มันบ้างก็ดีดีเหมือนกันเป็นคนอยู่แพ้มันเป็นผีแล้วยังเอากับมันก็ยังได้ผมโคงออกไป เฮ้ยอย่าคิดอย่างเด็กๆ เ, เว้ยต่ผึ่งร้องตำหนิการปลูกผีนะ่ะมันจะดีอะไรเอาละผีไอ้จอมเนี่ยมันบอกแล้วว่าใครฆ่ามันแล้วอีย้อยเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วมันจะไปทำอะไรได้ลงท้ายมันก็เอาไอ้พวกเราที่มีทั้งหนุ่มทั้งแก่เยอะแยะก็ไปฆ่าหากันอีกการปลูกผีนะ่ะมันวุ่นไปทั้งบางเทียนามันจะอาลวาดตามฤทธ์ของมันเจ้าบ้านจะพลอยสะดุ้งสะเทือนไปด้วย แต่ผึงพูดแล้วก็สายหัวผมนิ่งฟังเงียบๆบัตรนั้นมีหนุ่มคนนึงผมจำชื่อไม่ได้มันอยู่ทางท้ายบ้านโน่นโผล่หน้าเข้ามาในวงแล้วก็ออกความเห็นแซงเข้ามาฉันว่าไอ้พวกบรรทองแน่เลยเชียวฉันเคยเห็นไอ้พวกบรรซ่องเนี่ยไปหนองไม่ซูงบ่อยๆนะเจ้าหนุ่มคนนั้นพูดผมมองหน้ามันใจก็ชัดจะเชื่อมันอยู่บ้างเอ๊ะมันเรื่องคอขาดบาดตายนะเว้ย ยังจริงไม่จริงอย่าเพิ่งพูดไปเชียวนะลุงปั้นขัดเออเว้ยว่าแต่ไอ้พวกบ้านซ่องนี่ใครๆก็รู้นี่ว่าว่ามันขยันนักเลงกันอยู่ตาปลังว่าข้าก็กลัวว่ามันจะบานตะไทยกันไปไหนต่อไหนยังไงยังไงก็ช่วยกันลมอิย้อยไว้ก่อนกันอย่าพามันเป็นหนุนเข้าล่ะคนมันรักลูกมันถ้ามันเกิดร้องไห้อ้อนวันพวกเราที่ไหนพวกเราทั้งพี่ป้านะอาแล้วก็เพื่อนเพื่อนไอ้จอมจะทนอ้อนวอนไหวเหรอ ก็บุกกันไปจบเลยที่เนี้ยบ้านมาพโพน่ะมันโสมแต่ซับหรอกเว้ยแต่หัวใจมันไม่โสมอย่างซับหรอกว่ะบ้านซ่องจะนักเลงบ้านมาพโพก็ใจสู้ทั้งนั้นกลัวเสมอไลยผมฟังตะปลังว่าก็ชักใจร้อนวูบมาพโพ่โสมแต่ซับเว้ยใจไม่โสมสู้ทั้งนั้นผมนี้ยิ่งดื่มเข้าไปรู้สึกเนื้อมันจะเต้นระลิกระลิกใจร้อนเผาเผาเรื่องนี้พี่ใหญ่ไม่ออกความเห็นอะไรเพราะถือว่าเป็นคนนอกบางนั้น แต่ผมเนี่ยรู้ใจพี่ใหญ่ดีถ้าหากเกิดมีอะไรขึ้นแล้วก็พี่ใหญ่อยู่ข้างผมเขาก็คนอยุธยามันก็สืบสายโลหิตจากปู่ย่าตายายรบพุ่งชิงชัยมาตั้งแต่ครั้งกระโ น, น้นเลือดนักสู้มันก็เลยยังครุบกรุ่นอยู่ภายในเวลาปกติเลือดมันก็อยู่เย็นสงบแต่ถ้าเอาละเหรอเลือดมันพุ่งพล่านขึ้นมาทันทีเหตุดร้ายอย่างนี้มีขึ้นผมอยากมีปืนสักกระบอก ฐานะเวลานี้ก็พอมีเงินจะซื้อได้นะแต่ตำรวจนะสิเขาจะไม่อนุญาตฐานะกรรมกรทำถนนพระเนจรไม่มีถิ่นฐานมีทรัพย์สมบัติอะไรที่จะออมปืนมารักษาไว้ถ้าซื้อก็คงจะได้แค่ปืนเถื่อนแต่ว่าผิดกฎหมายนี่ทั้งๆ ท, ที่ผมเองก็เป็นคนชั้นต่ำแต่เรื่องชั่วเรื่องเลวเนี่ยยังไม่อยากจะยอมเป็นรุ่งขึ้นพอเลี้ยงพระเช้าแล้วผมกับพี่ใหญ่ก็เลี่ยงออกจากบ้านย่องไปบ้านน ย, ย้อย พอนายย้อยแกมองเห็นผมเท่านั้นแหละแกถึงกับร้องห่มร้องไห้ผมก็ชักเลือดปุดๆขึ้นมาสงสารแกนักเองรู้เรื่องแล้วใช่ไหมแกถามฉันรู้แล้วผมตอบนี่พี่ใหญ่เพื่อนผู้พี่ของฉันผมแนะนำพี่ใหญ่พี่ใหญ่ก็รีบไหว้แกนะ้าไปพบศพไอ้จอมที่ไหนอะ่ะผมถามที่ป่าไมา้บานซุ้นุ่นแหละทำไมอยู่ๆถึงรู้ว่าไอ้จอมตายอะผมถาม ทีแรกเขาก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าเขาเห็นมันหายไปผิดสังเกตแล้วก็รู้อยู่ว่ามันเคยไปบ้านนางแพ้วบ้านไม้สุงก็เลยดุมไปตามมันก็เลยรู้เรื่องกันที่นั่นพอไปถึงศพมันก็เน่าขึ้นอืด น, นอนตายอยู่ในป่ารกมีรอยแผลทั้งฟันทั้งแทงด้วยห อ, อกก็เลยรู้ว่าถูกรุมฆ่ามีรอยตีนสู้กันเละเทะพ่อแม่อีแพ้วมันว่ามันก็รู้พร้อมๆกับคนอื่นๆหรือมันจะรู้แล้วทาเป็นไม่รู้ นายย้อยเล่าไปแต่ทิ้งท้ายว่าปักใจสงสัยนายย้อยนายย้อยใจเย็นๆ น, นะแต่ผมได้ยินเขาบอกว่าเห็นหนังสือเขียนปักไม้ไว้ด้วยเหรออื ม, มก็เขียนทำนองแย่งรักกันนั่นแหละเอ้พี่กนนะผมว่าไอ้ใครอื่นมันค่าแล้วจะต้องรีบหนีมันยังมีกระใจมาเขียนหนังสือไว้เหรอข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละถ้าไม่ใช่คนที่นั่นมันจะเป็นใครละ่ะว่ามันก็น่าคิดนะ พี่ใหญ่พูดออกมามีหรอกมันก็น่าคิดอยู่มีคนพูดกันว่าเห็นไอ้หนุม่มบันซ่องที่นั่นบ่อยๆแต่ข้าก็ยังกากวมอยู่วะ่ะไอ้บัานซ่องชื่อมันเสียก็เลยถูกเมาน้ายอยออกความเห็นข่าวเขาว่านายอยปลุกผีไอ้จอมเหรออืมแกตอบแล้วก็นิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าให้เขาช่วยค่าสืบแล้วพิธีของน้าเป็นยังไงบ้างแล้วล่ะพี่ใหญ่ถาม อ๋อได้แล้วละ่ะนายย้อยตอบแบบหนักแน่นแต่ขอระงับเวลาก่อนให้งานศพยายของไอเรืองเสร็จไปก่อนก็ดีผมพูดเมื่อเยี่ยมเยียนแล้วก็เสียอกเสียใจกันพอสมควรแล้วผมกับพี่ใหญ่ก็ลากลับทางบ้านผมยังสวดศพยายอีกสองคืนพอครบ7คืนแล้วก็นำศพไปทำพิธีกันที่วัดอีกตกบ่ายจะเผากันตามความนิยมว่าหมดห่วงถ้าศพใครยังฝังดินอยู่ก็แปลว่ายังมีเรื่องห่วง เห็นแขกที่มาคอยเวลาจับกลุ่มเป็นกลุ่มสองกลุ่มดูแปลกตาผมก็เลยย่องเข้าไปร่วมวงด้วยก็เลยรู้ว่าเขาพูดอะไรกันบ้างเฮ้ยพวกเราเว้ยถ้ามันจะวุ่นลวเวย้ตยตาไคนใกล้หนองตะโล่พูดไอ้พวกเราเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเอาป้ายหนังสือไปปิดท้าทายไว้หลายทุ่งทั้งบ้านซ่องทั้งบ้านไม้สูงก็มีหนังสือใครอะ่ะมันเขียนว่าอะไรตาเหมงยื่นหน้าไปถามไอป้ปอซี่มันจาถ้อยคาในป้ายนั้นได้ ตาไว่าแล้วก็ชี้มือไปที่หนุ่มคนนึงที่มาจากตำบลอื่นเฮ้ยไอ้ป ah si ๋อเว้ยว่าให้ข้าฟังสิวะหนุ่มคนนั้นได้ยินตาไ้บัญชา mm hmm. ก็เลยยื่นหน้าเข้ามาใกล้ฉันคัดลอกไว้เลยละจ้าจำได้ทุกคำเขาบอกว่าไอ้ใครที่นักเลงฆ่าพวกบ้านกูเงียบๆหาใช่นักเลงไม่ถ้าจริงแล้วโดดออกมากลางทุ่งเลยถ้ากูพึ่งตารวจกูเนี่ยเป็นหมานี่แหละคาเต็มเลยละบะ้า มันหาเรื่องเจ็บเรื่องตายมาให้แกคนที่เขาไม่รู้เรื่องอยู่เลยดีๆเดินไปทําธุระไอ้พวกนั้นนึกว่าไปรบกับมันตาไ้ชักจะพูดเสียงดังขึ้นทุกคนทั้งคนหนุ่มทั้งคนแก่ชักจะหลบหน้าตาไ้กลัวจะถูกตาไ้สงสัยก็จริงอย่างตาไฮว่าการปิดหนังสือท้าทายแบบนั้นมันเหมือนไม่มีกฎหมายและบางทีคนที่เขาไม่เอากับเราก็มี รักสงบไม่ชอบรบราฆ่าฟันเดินไปธุระก็เลยถูกตะลุมบอลเข้าตายหากันไปอีกการท้าทายกันแบบนี้มันก็เท่ากับประกาศสงครามรู้กันไปทั่วทุกทางทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาจะปล่อยเหรอมันไม่รับลีออกจะอึงคะนึงไปทางกฎหมายเขาจะเฉยได้อย่างไรทําแบบนี้มันเป็นเด็กไปจริงๆครึกโครมเอะอะลงท้ายก็จะเงียบไป เพราะไม่มีทางใดจะกล้ารบกันได้จริงๆเพราะว่ามีแวรคุกแวรตารางแดงโร่อยู่ทางนักเลงก็ไม่เอายิ่งนักเลงมากนักเลงจัดก็ขี้ขลาดต่อคุกต่อตารางชอบทําอะไรเงียบๆในที่สุดพวกที่จะเดินไปไหนกลางคืนโดยไม่เกี่ยวอะไรด้วยก็จะโดนปืนโดน ด, นดาบตายซะเปล่าผมเองน่ะไม่เอาแล้วแบบเนี้ยติดคุกซะใช่เรื่องและไอ้จอมก็หาฟื้นขึ้นมาไม่ทางบ้านผมศพยายเผาเสร็จแล้วช้าก็เก็บกระดูกแล้วก็พัก เตรียมตัวจะทําบุญ7วันผมกับพี่ใหญ่ก็ต้องอยู่ทําบุญ7วันก่อนแล้วก็ทั้งจะคอยฟังว่านายย้อยเนี่ยแกจะปลูกผีไอ้จอมได้ผลอย่างไรบ้างต่างเตรียมทุกๆอย่างให้เรียบร้อยอาหารการกินก็ต้องเพิ่มอีกแขกที่ยังคงค้างอยู่ที่นี่ก็หลายคนทั้งวันเลี้ยงพระก็จะมากันทั่วไปโดยว่าบ้านใกล้ตําบลเดียวกันส่วนตําบลอื่นที่ไกลๆพอเผาแล้วก็ยังไม่กลับเพื่อนฝูงมากก็ยังรังกันไว้ ฉะนั้นวงเล่าก็เลยติดวงตั้งแต่บ่ายผมกับพี่ใหญ่ถนัดอาหารแกล้มเล่าก็เข้าครัวช่วยกันผนกเล่าส่วนทางแม่ครัวก็ช่วยกันในทางเลี้ยงคนเลี้ยงพระชุลมุนวุ่นวายเอาการพอเวลาชิงครบจนค่ำเท่านั้นแหละเหตุการณ์ประหลาดก็มีขึ้นพวกเฮฮากองเล่าถึงกับเบาเสียงเฮหฮหาลงต่างสดับหูฟังเหตุแล้วก็มองหน้ากันไปมาเพราะว่าเสียงสุนัขที่วัดหอนขึ้นดูว่าจะเป็นจานวนมากกว่าเคย กะเอาว่าน่าจะหมาหมดวัดนี่แหละมันช่วยกันเหา่าช่วยกันหอนแล้วสุนัขตามบ้านที่อยู่ใกล้วัดก็หอนรับกันไปเป็นทอดๆทีนี้พอหมาทางวัดแล้วก็ทางบ้านใกล้วัดมันเงียบลงทางบ้านเราก็ต่อขึ้นแม้จะมีสองสามตัวก็ไม่เหมาะจะฟังแต่ไม่มีใครตาวาดสุนัขให้หยุดเพราะว่าการหอนในคืนนี้มันผิดแปลกไปกว่าที่เคยเป็นมาเรื่องสุนัข ก, ก็ต้องเหา่าก็ต้องหอนทั้งนั้น แต่ว่าคราวนี้มันคล้ายจะนัดกันหอนมาแบบหมาทั้งบางกันเลยทีเดียวพอทางบ้านเราหยุดหอนทางท้ายบ้านต่อเราเนี่ยมันก็หอนรับกันออกไปอีกจนได้ยินเสียงหอนของสุนัขนั้นเบาหูแต่ว่าเราก็รู้กันแหละว่าเสียงที่หอนนั้นมันมากตัวเสียงไกลจริงแต่คล้ายกับกล้องมาจากขอบฟ้าที่มืดมิดโ น, น่นนางย้อยมันก่อเหตุอีกแล้วเสียงตาของผมเป็นคนพูดขึ้นมันจะสะดุ้งสะเทือนลูกเล็กเด็กแดงเข้าด้วยนะสิ ค่ำมืดจะลงจากเย่าจากเกรือนกันลําบากผมนิ่งฟังตาแกพูดอย่างใจไม่สบายธรรมดาตาของผมจะไม่ค่อยพูดอะไรง่ายนักพี่ใหญ่มองหน้าผมแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาผมก็นึกอยู่ในใจว่ามันยุ่งแน่นอนถ้าเรื่องผีเนี่ยลองไปปลูกเข้าคนองซะแล้วจะเอาไว้ไม่อยู่แต่ว่าครั้งนี้จะยังชั่วอยู่บ้างก็ว่าวิญญาณไอ้จอมเนี่ยคงไม่มายุ่งกับพวกเราเพราะว่าเราเนี่ยเป็นพวกเดียวกันแล้วก็เจ็บร้อนแทนกันอยู่ด้วยซ้ําไป มันจะต้องมุ่งหน้าไปเล่นศัตรูทางโน้นถึงจะคิดได้อย่างนี้แต่ใจก็อดจะสะดุ้งสะเทือนไม่ได้ผมเป็นคนที่ชอบคิดมากก็เลยคิดไปว่าเมื่อกี้นี้เจ้าจอมต้องกำลังเดินช้าๆไปตามทุง่งขึ้นจากหลุมที่นอนแข็งทื่ออยู่ทั้งวันทั้งคืนมาได้ก็ต้องเมื่อยขบเลื่อนตัวจากวัดผ่านทางบ้านเราไปป่าช้าบ่ายโฉมหน้าไปสู่ทุ่งทางโน้นเพื่อหาตัวศัตรูเจ้าสุนัขในบ้านก็เลยหอนต้อนรับ ตอนที่ขึ้นจากหลุมแล้วก็หอนส่งเป็นการสนับสนุนเจ้าจอมเต็มที่ในการที่จะไปประจันบานกับคู่ศึกเจ้าความคิดของผมก็ทำเอาใจผมสะท้านเลยต้องดื่มเหล้าเต็มอักแม้เหตุการณ์จะน่ากลัวแต่ที่บ้านเราคนมากพวกที่นอนค้างด้วยก็หลายคนเพื่องานเลี้ยงพระในวันรุ่งขึ้นไฟก็สว่างไสวตัดความกลัวลงไปมากตัวผมเองก็มีข้อเสียอยู่ที่ว่า ถ้าเกี่ยวกับการตะลุมบอลหมัดมวยมีดไม้ก็จัดว่าเป็นคนมุค น, นึงเป็นที่พึ่งได้แต่พอมีเรื่องผีๆสางๆมาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ไอ้ใจที่มันเก่งๆ เ, เนี่ยมันลดลงไปสักครึ่งค่อนเลยก็เลยเอาเหล้าดื่มช่วยประคองใจไวเ้เรื่อยๆแล้วก็พากันสนทนาเรื่องอื่นต่อไปใครที่ง่วงก็หาที่หลับที่นอนกันไปแต่ว่าพวกแม่ครัวยังนอนไม่ลงเพราะว่าห่วงอาหารบางอย่างจะต้องเตรียมไว้ทาตั้งแต่เช้ามืด ผมพี่ใหญ่พี่พุกก็เลยอยู่เป็นเพื่อนแม่ครัวแล้วก็ยังเอื้อเฟื้อลงไปตักน้ำข้างล่างขึ้นมาไว้ที่ชานครัวหลังบ้านให้แม่ครัวอาบก่อนจะไปนอนรุ่งขึ้นเช้าวันนั้นพอตื่นนอนอย่างแสบตาโดยที่นอนยังไม่เต็มอิ่มก็รีบอาบน้ำแต่งตัวคอยเรื่องใหม่พอตกสายหน่อยพระที่วัดท่านก็ค่อยๆเดินตามกันมาตามที่นิมนต์นัดไว้พระองค์หนึ่งพอขึ้นบันไดามาก็พูดกับตาผมเบาๆแต่ได้ยินเสียง เรื่องมันจะไปกันใหญ่แล้วพระองค์นั้นพูดผีไม่ได้ตื่นเฉพาะที่จอมนะสิเมื่อย่าค่ำวานนี้อาตมาเห็นกับตาอย่างชัดๆว่ามีผีอีกหลายตนทั้งหญิงทั้งชายเดินออกจากวัดไปเอ๊ะก็นางย้อยมันปลุกเฉพาะผีลูกชายมันเท่านั้นนี่ตาผมว่าแต่มันไม่อย่างงั้นซะแล้วมันตื่นหลายตนทีเดียวพระท่านย้าผมฟังแล้วสะดุ้งใจนัก แต่เช่นนั้นแม่แฟงมิพลอยตื่นขึ้นมากับเขาด้วยหรือพระท่านเห็นว่ามีทั้งหญิงทั้งชายแม่แฟงก็จัดว่ารุนแรงนักทำไมจะไม่ตื่นละ่ะผมจัดอะไรต่ออะไรจนเรียบร้อยจนพระลงมือสวดมนต์เสียงสวดมนต์ทำให้ใจชื้นดีที่สุดพอพระฉันแล้วพวกคนทางบ้านก็ลงมือเลี้ยงกันบางคนอิ่มแล้วก็ลากลับบ้านที่ยังห่วงจะช่วยเก็บข้าวเก็บของก็มีอีกหลายคน ฉะนั้นพอตกเย็นก็ตั้งวงสุรากันต่อไปเพื่อดับความยุ่งยากใจในตอนค่าที่จะถึงซึ่งอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกก็ได้แต่ว่าในขณะนั้นเองทิดโอ่งบ้านถัดเราไปก็ย่างขึ้นมาร่วมวงเล่าแล้วก็กระซิบบอกว่าไอเรื่องเว้ยยุ่งอีกแล้ววะ่ะเมื่อคืนเนี่ยลูกชายลุงโกสองคนคือไอ้ฟองกับไอ้ป้องอยู่ๆนอนตายไปเฉยเลยบนบ้านนอนตายตาค้างทั้งคู่เลยเว้ย เนื้อตัวเนี่ยไม่มีบาดแผลตัวแข็งทื่อเลยทิดองค์พูดอย่างกระสิบแต่ก็ดังจนมากคนได้ยินต่างก็มีกิริยาไปต่างๆกันอุบะอะไรกันวุ้นี่บ้านเราเนี่ยผมร้องยายข้าเนี่ยตายก็ยังยุ่งไม่จบมาไอ้จอมตายตามอีกแล้วก็มาไอ้ฟองไอ้ป้องตายอีกเมื่อคืนก็มันยังหนุ่มยังแน่นนี่ว่ะทั้งก็ไม่ได้เจ็บไข้อะไรตาผมพูดฟังดูให้ดีเว้ย ว่าทำไมมันเกิดตายเพราะอะไรจะวุ่นละกระมังนี่วะลุงโก้แกว่ามันเป็นลมตายแน่ๆเพราะว่ามันไม่ได้เจ็บไข้อะไรทิดโอ่งว่าใครๆเขาก็ไปดูศพกันแต่ฉันไม่เอาหรอกนะเพนมาบอกข่าวที่เนี่ยเมื่อคืนฉันก็อยู่บ้านหมามันหอนกันแปลกหูเช้าขึ้นไอ้ฟองไอ้ป้องมันนอนตายตัวแข็งไปแล้วผมไม่รู้จะพูดยังไงพูดไม่ถูกดินเล่าส่งให้ทิดโอง่งเขาก็รับไปดื่มรวดเดียวจนหมดแล้วก็พูดต่อว่า แม่ฉันกับพ่อฉันเนี่ยแกพูดไม่มงคนหูแกว่าเจ้าสองคนที่ตายเมื่อคืนเนี่ยคงเป็นหมาที่หอนเองเจ้าจอมเล่นงานซะแล้วกระมังฉันฟังแล้วก็เสียวใจนักก็เลยแวะมาที่นี่ซะทิดโอ่งว่าคำบอกเล่าของทิดโอ่งมันชักจะหมุนเข้ามาในแง่ทางไอ้จอมซะแล้วมันคล้ายกับว่าแท้จริงไอ้คนฆ่าไอ้จอมหรือศัตรูร่วมฆ่าไอ้จอมเป็นไอ้สองคนพี่น้องนั่นเอง นั่นอาจจะรักหญิงคนเดียวกันเข้าก็เลยดักตะลุมบอนเอาไอ้จอมจนตายอย่างงั้นไอ้คนที่พูดให้ใครๆได้ยินว่าเขาเห็นพวกบ้านซ่องไปติดผู้หญิงบ้านไม้สูงดูๆเหมือนกับว่าจะโยนเรื่องไปให้ทางอื่นเพราะบ้านซ่องมีชื่อไม่ดีอยู่แล้วยกให้เป็นที่ปักใจไปทางนั้นถ้าเราจะกลับกันพรุ่งนี้เช้ากระมังพี่ใหญ่กระซิป บ, บอกผมมันมีแต่จะวุ่นพันเกลียวกันเข้ามาเราไปทางานกันดีกว่านะ ผมฟังพี่ใหญ่พูดแล้วก็เห็นจริงงานการทางบ้านนี่ก็หมดลงแล้วคืนอยู่ต่อไปอีกก็มีแต่เรื่องสียดสยหยองเพิ่มขึ้นก็เลยบอกกับตาแล้วก็พี่พุกขอลากลับไปทำงานด้วยงานกำลังเร่งตาก็เลยอนุญาตตอนนี้ใครจะพูดอะไรเกี่ยวกับการตายผมไม่เอาหูฟังหลบหลีกหนีไปในวงที่เขาไม่ได้พูดเรื่องนี้คืนนั้นสุนัไม่หอนอีกอย่างเมื่อคืนใจผมเนี่ยชักนึกว่าหรือไอ้ฟองไอ้ป้องมันเป็นศัตรูของไอ้จอมนั่นเอง เมื่อไอ้จอมสังหารแล้วก็เลยเงียบกันไปคืนนั้นผมนอนดึกมากหลับไปแล้วก็เกิดฝันมันคล้ายๆใครมากระซิบอยู่ข้างหลังหูใกล้ๆผมเสียงนั้นเรียกผมเบาๆแล้วก็บอกชื่อตัวเขาเองแกผมเฮ้ย hey, ไอเรื่องกูเองไอ้จอมกูแก้แค้นไอ้ฟองแล้วก็ไอ้ป้องแล้วแล้วก็อีแพรวผู้หญิงหลายใจกูก็สังหารแล้วมึงสบายใจได้กูแก้แค้นหมดทั้งขยงกูบอกมึงเท่านั้นแหละ ลาก่อนเสียงนั้นเงียบไปผมก็หลับไปจนเช้าพอเรากินอาหารเช้าผมกับพี่ใหญ่ก็ลาตาลาพี่พุกลาลุงโนดป้ากระออมบ่ายหน้าออกทุ่งตัดเข้าเขตระสมแล้วเข้าภาชีผมได้เล่าความฝันให้พี่ใหญ่ฟังที่ร้านอาหารที่สถานีภาชีในตอนกลางวันไปถึงกรุงเทพแกก็หาทางตักบาตรพระแล้วก็อุทิศส่วนกุศลส่งไปให้คนตายทั้งหมดซะพี่ใหญ่บอกกับผม ผมก็รับคำเห็นดีด้วย